ควบคุมทาง น, นัยนี่ในปุตภาวนาทั้งหมดก็มีหัวน้าคณะผู้ช่วยเจาาย้าว่าทีนี่คือพระพูสังฆลักษณในส่วนเขตสังฆาว่าจ้าพระปราชลัปิสิทธ์ธในส่วนโบสนี่เขตพุทธาว่าเจ้าพระจางพิลมดูแลกันไป็าสดาทนี่สงรับิชอออันนี้ก็จะหาว่าพิสู่ของใครในหมู่ใด ไปรับผิดชอบถือว่าหัวหน้าคณะผิดด้วยนะมาดูแลรับผิดชอบอะไรอันนี้เขาเรียนถวายว่าด้วยถือว่าหัวหน้าคณะรับผิดชอบด้วยแล้วก็มีความผิดด้วยมีทั้งผิดมีทั้งชอบมีทั้งถูกทั้งผิดอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่เรียนถวายหลักกติกานั่นก็ไม่ใช่หมาของกับผมเองเป็นของเราพระเจ้าสอนมาเนะี่ย ที่เราสอนให้นิสัยปัจจัยในโงบูชดแล้วไม่ชะนอกเพศหรือไม่ใะต่างเิงคือเราเป็นพระภิกษุมีสมณะสาชิษมีการศึกษาเราเรียนปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่มีการไปดูหนังดูทีวีดูละครในร้านคามันเป็นที่อโครจรและเราจึงห้ามเสี้ยตั้งใจเวลานา น, านแล้ว ตอนแต่ท่านมาบวชทุกโรคก็ได้ยินทุกโรคมี่ฝ่าฝืนถือว่าบาปอย่างบาปอย่างร้ายแรงนะบาปอย่างร้ายแรงเป็นกฎแห่งกรรมต้องติดตามตัวปไปอย่างนี้อันนี้บาปร้ายแรงมากเราดูกฎแห่งกรรมเล่นสามนะเสียจะจะเนี่ยตายหงทุกรายนะไม่ใช่ว่านั่นท่านบางรูกหนี้บอกเขาทําได้ว้วกทำได้นี่เนี่ ย, ยพร้อยตายพร้อมกันเหมือนลดควา คำเดียวตาต้องสี่สิบห้าสิบเนะโดยไม่รู้จักกันเลยก็มาร่วงการบรเสียจะจะร่วงกันมาเสดชาดไหนแล้วเพราะเรียนถวายไว้ด้วยแล้วอยากให้เป็นบาปเป็นกรรมก็ออกทำเถอะก็มาด้บังคับใจด้วยจิตใจของคนจะไปห้ามไม่ได้อนนานาจความโลกห้ามไม่ได้มันจะต้องโลกของมันไปในใจโกรธเนะมันก็ห้ามไม่ได้ไม่ได้มันก็โกรธ ก็ไม่ได้เคยฝึกกรรมฐานเลยมันมีโมหะผืนใครห้ามไม่ได้ก็ต้องขืนผืนใจถือห้ามไม่ได้หรอกปวดรู้ปวดีคือโมหะความหลงตายไปเป็นกัดเรัจานเป็นหมากหลายไม่มีปัญญาจิตชั้นอันตรายก็เกิดขึ้นบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตคิดคในวัฏจักรที่ผิดตรงตอน มีความหมายมากเหมือนกันเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้นี้โลกประสาทโลกอะไรโลกบาบอโลกโลกหัวดื้อคล้านมันก็เป็นคนหัวดือ้อแต่ที่นี้จิตที่จะไปก็ห้ามไม่ได้เราคนลมขึ้นเลือดล้มไม่ดีแล้วก็ด้วยอาพาธด้ยวยจิตประสาทโลกประสาทก็มีห้ามไม่ได้ ก็เนื่องจากโรคภัยก็เจ็บเบียดเบียนตัวเองเป็นโรคติดก็มีเป็นโรคที่มีายในใจเป็นโรคบาปก็มีในใจมันก็ไม่เหมือนกันก็นกห้ามไม่ได้เป็นกรรมเหมือนบางคนติดที่จะไปพ่อแม่เราเลี้ยงแต่ตัวแต่ใจเลี้ยงไม่ได้แน่ใจมันจะไปทางทั่วทางดีใครจะไปว่ากันอย่างนั้นนี่มันห้ามไม่ได้ แต่เราก็น่าจะคิดได้ว่าเรามาบวชกันินพระศาสนาเยสระมาแล้วแค่สามเดือนหนึ่งพรรษาเท่านั้นเื่อย่างเงี้ยควรจะสร้างความดีเอาเวลาที่มีประโยชน์นี่มาศึกษาเล่าเรียนดูหนังสือหนังหาท่อง บ, บนจำโมจำจาทรงในนากวาและสวดมนต์ไว้ค่ะจะหาเวลาที่มีประโยชน์มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ้างถาจะได้บุญ อาจจะได้คุณผลมากมีเหตุผลถ้าเราใช้เวลาอันมีประโยชน์เอาไปไ ล, ล่สาราสึ่งนี้นอกประเด็นพระพุทธศาสนาแล้วไหนเลยล่าท่านจะได้บุญนาคุตรนี่ชอเหตุผลที่มาบวชโดยกฉพาะพระราชาตาลามบวชแล้ ว, ว, ลวจะไม่ได้ยศสักเนี่ยจะไม่มีตำแหน่งสูงจะหา ย, ยหนะในราชการในหน้าที่จดก็ไว้ได้อปอปากไป้วยเนีย มีหลายจำพวกที่ผ่านมาเ้าจดเป็นจดถึงกรรมไว้ตลอดรายการบางคนก็ถูกสาปจากวัดไปเดี๋ยวนี้วิกนจริตแล้วส่งโรงพรยาบาลศรีร ญ, ญายังไม่ได้กลับมานลายเป็นคนบ้าเป็นคนบอเพราะไม่รู้จักภาษามนุษย์กลายบ้าบอคอแสกเดี๋ยวนี้ไปศรีรัญญาแล้วน่าสงสารบวชที่นี่แหละ เพราเหตุใดพระโยมเข้ามาราย ง, งานให้ทราบบอกว่าพ่อให้โหติดตามเธอที่เป็นเช่นนั้นน่บัดนี้ลูกผมไปอยู่สิศยาแล้วพูดไม่รู้เรื่องในอย่างนี้ไรคนหนึ่งจะไม่ขอกล่าวเชื่อคือเป็นผู้หญิงเขาเคยม า, ปาเป็นฤๅษีลาแต่เขาไปได้สามมีมีน้องสามสามีสองคนอยู่รวมกันจนผู้หญิงคนนี้เคยเป็นฤๅษีลาวก็นั่งสวดมนต์เจริญภาวน า, นา น้องหัวแปกลเคาะประตู่ะเดินเฉียดไปเฉียดมาแกลในสดมนนี่เคือคนแกลเขาเขาจะสร้างความดีก็ออกไปแกลเขาเหมือนอย่างพระนางกรรมฐ า, านองค์หนึ่งก็ไปแกลไปเสียงดังมั่งเสียงแหลมอยู่ในกลุ่มกรรมฐานอยู่กัาานเนยบาปอย่างไรแรงเดี๋ยวนี้บ้าแล้วเกิดสมองไม่ดีน่ะปริญญาโทเอิปริญญาโทแกลที่สะพายเห็นที่สะพายสดมน เห็นพี่ะพาัยชกักลูกประคำก็เดินเสียดสิไประงเขาก็ไม่ว่าายแปล้งเขามาต้องสามปีเนี่ยเนี่ยแล้วคนนั้นยังไม่มีครอบครัวด้วยอยู่รวมกันทั้งพี่ชายพีาพาย่สะภ้ยบัดนี้เป็นยังไงบ้าเลยคลั่งทุกตู้แล้วก็ไปดึงลูกประคำของพี่สะภ้ยมาสวดมนต์บอกฉันจะสวดมนต์ฉันจะสวดมนต์ แล้วก็ดินทํางานไม่ได้แล้วน้ำปัดนี้นี่นะครับอย่าลืมนะครับผลการการผมไม่ว่าอะไรจะทําอะไรก็ทําตามชอบเถิดมันไม่ต้องตารที่จะได้บุญแลือกุศลไม่ว่าอะไรหรอกขอเรียนถวายไอ้ที่ผมมีตูดมุ่งหมายก็ต้องการทุกรูกมีบุญมีวาสนะมีค้าราเพศมีบ้านใหญ่เศรษฐีอยู่ว่าศัยมีร้านค้าเป็นอยู่ดีแต่รับราชการก็จะเป็นใหญ่เป็นโต มีหลักฐานดีท่านจะไม่ชอบเช่นนี้ถูกหรืออวเรียนถวายจะไม่ชอบก็ไม่เป็นลายป่าผืนก็ฝ่าไม้แต่ท่านจะจับรับกรรมทีหลังให้สามปีล่วงให้ผ่านมาถ้าหากว่าบางคนกรรมมันหนักมันก็ได้ปัจจุบนันภาเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนี้เองอวิเรียนถวายก็ด้วยยังผู้หญิงคนนั้นเช่นนะี้ภายุภาดูท่นะ น้องผัวแกล้งแกล้งบอกไม่เป็นไรแผ้แม่ตากำหนดทิ้งน้องทิ้งน้อไปแล้วชกักฝูงธรรมด้วยอีกอีกทีก่ไปโชวลัตนามาลาที่เราสอนเขาไปก็สวดแล้วแพ้แม่ตายเนาผัวเข้าห <c oughs> นักเข้าในสุดไม่เกินสองปีคลั่งแหละเนี่ยมีความรู้ดีเนาะคลั่งวิ่งหลอก บ, บ้าน แล้วก็วิ่งไปคนตื่หลับที่นอนก็แจ้งอยู่กรบคเข้ามาชักผมจะสวดมนต์เพิ่นจะสวดมนต์ขอแท้จริงไม่เคยสวดมนต์ไม่สนตะครยสวดมนต์แกลงนี่แหละเราท่านทั้งหลายเอ๋ยที่มานั่งกรรมาฐานที่มีความสนใจบางรูปไอ้บางรูปก็แลกแลงคุย้านนั่นเนี่ยจะเป็นรูปนี้นะครับไม่เชื่อผมไม่เป็นนายต่อไปฮะเกลียดกับประสาทจะคลั่ง จะคลั่งแกไม่ได้สีสัญญาประชวนไม่ได้นะมีคนมาขอยาอย่างนี้กันประเภทนี้มากนีมาวานมาสองสาลายเป็นโลกประสาทบอกว่าโยงกลับไปเถอะเอายาไปบัวไปต้มก่อนแต่อาตมาช่วยไม่ได้เพราะเป็นโกรแห่งกรรมก็จะต้องบาวไปซะเจ็บไปงานการต้องโดนไล่ออกบบบนี้ก็เขาให้ออกไปแนละ้วเพราะโลกประสาท ทำราช ก, การเนี่ยขาไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆแนะหน้าทียดายต่อภายหลังท่านจะล่าเริงที่ในะขณะที่มาพบของดีแล้วท่านไม่ได้ไปนะผมไม่ว่าอะไรแล้วอันนี้จะปล่อยปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางนะ อ, งนะอุติ ก, กรรมให้ในครั้งนี้นีม่มาขอสมาลาโทษไม่ว่าอะไรอ๋ออย่าลืมนะมีตัวอย่างอยู่เสมอนี่มาวานี่เขามาลายพุ้งปังแหละบอกหลวงพอ่อค่ะ ได้รับตามแล้วน่องหัวน่องเท้าเวลาหนูสวดมนต์เดินจงกรมก็แกลสายตูดไล่สายตูดมามันอยู่บ้านเดียวกันแล้วหนูกําลังชาปุตตะทอิทิเบโสลัตะนามาลาแบบของครูบาชาีวิชัยเราสอนเข้าปานบอกว่าหนูไม่มีเวลาที่เดินจงกรมมาอุณิกร น, นะประเภทสองอิทิเปโสรัตะนามาลาของเจ้าประคุณ หลวงพ่อหลวงปู่ปู่บาจุนชัยล้วเคยเป็นลเรียนมาตอบหลวงพ่อเดิมหลวงพระจงวัดนาต่างหลวงพ่อจันวัดนางหนูหลวงพ่อจ่าจังหวัดประจินเราไปเรียนมาหลวงก็ปานวัดนมโคเรียนมาทั้งนั้นแต่คนเราโดี๋ยวนี้ไม่อยากได้วิช า, วาความรู้อะไรเลยเนี่ยคอจะแสบไปทางนอกประเด็นนี้จึงโง่เ ง, ง่าตาตูวนชีวิตหน้าเหนือยดได้ อายุสัน้นน่าจะอยู่ทั้งแก่เนะ่ยก็เถียนแนวหรือแก่แล้วอยู่กับลูกหลานให้นานเท่านานจะอายุสัน้นอยู่แล้วเป็นที่หนาที่ได้ยูพาก็ได้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ครัง <c oughs> เนี่ยเขาสวดมนต์ก็มาแกแล้งพราะไอ้ตระกูลนี้ทั้งตระกูลเลยไม่ทําบุญไม่อยากได้ทําบุญแต่ได้ลูกสะพ้าย ใ, ใจบุญทุ้มทานเขาก็ หลุ่สะพ้ายคนนี้ก็ต่างผาป่าจะไม่ทอดที่วัดของเขาต่างใจเป็นมากสามีนอกถัว่ร้ อ, องไหา้าเสียงเงินเบอร์หลัาเขาบอกเสียงเงินเรียบทองเบอร์เปล่าที่สะพายก็บอกว่านี่ไม่จากของเธอเ น, นี่ยเงินส่วนตัวของฉันนี่แค่นี้มันยังร้องหา้าเสียดายเงินทำ บ, บุญเนี่ยคนประเภทนี้ไม่อยากทํา บ, บุญทุนทานหรอกเพราะจะแสะหาเรื่องต่างๆให้เดือดร้อนกลายเป็นบาป นาชนิดขอเรียนถวายตัวนี้ครั้งเนี่ยจะมาปรึกษากับผมเองว่าจะช่วยเขาอย่างไรบอกเองก็นั่งวิปัสสนาแผ่เมตตาหัิศกรรมให้เขาไปเถอะดิฉันก็ไม่ได้โกรธเขานี่นะใช่แล้วมันเป็นกรรมของเขาเองกนะ็แล้วแต่เถอะบุญนํากรรมแต่งแล้วแต่จะทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นก็ตามใจเขาเถอะนี่เดี๋ยวนี้ก็ แม่แม่พัวกุ่มจัดแลไปทํางานธนาคารไม่มดาแล้วคิดเดินคิดท้องไม่ถูกแล้วไมองขึ้นไปแย่งหรือว่าทำเขามาแล้วก็มาชักท่าก็ไม่เป็นนําท่าสวดมนต์ว่าหัทะทีเดียวเนี่ยนะกดตรแทงตามตามสนองที่พี่สะพ้ายก็สวดมนต์แกล้งแกล้งเขาเวลาเขาเดินจงกรมหรือก็จะนั่งตายตูดไปขวางหน้าขวางตาทําตดมั่งอะไรทำนองนี้ ทำเดินเดือเลือดังๆทำหน้าเคาะข้างฟ้านี่กรรมสัตว์แล้วนะบัดนี้คนที่ไม่ตอบแทนไม่โกรธตอบไม่ฟังเสียงไม่รับผู้นั้นได้รับเต็มเป่าเต็มกระเป๋าร้อยเปเ็นนะครับเรียนถวายไว้บางองค์ท่านก็อยากจะสนใจศัสนาร้อยหนึ่งองค์สนาทิจายมาพบข้องดีไม่เอากัน เนี่ยเขามาเอาของดีไปหมดแล้วเราอยู่กับของดีกใกล้เคือกินดาน่างก็ผมไม่ว่าอะไรเป็นที่นาที่ใดเวลาของท่านเองคือเดชเชียสละเวลามาบวชไม่ได้มาด้วยศรัทธาเลยไม่ได้มาด้วยสัมถะอใจไม่ได้มาเลื่อมสายต่อเราพิจเจ้าพวกเราเลยถ้าจึงเป็นอย่างนี้ก็คิดดูเอาเองนี่แหละคนที่บวช ด, ด้วยศรัทธาบวชด้วยเลื่อมสายยากลําบากเหลือเกิน บวชในศรัทธายากบวชนิสงสารก็หายากบวชราบบวชกลองบวชกลองประเพณีบวชนิสงสารบวชสารสุขประสุขบวชสนุกตามเพื่อนก็แบบอย่างนี้ไปยิฉะนั้นต้องบวชด้วยความศรัทธาเลื่อมใจการบวชด้วยเรื่อมใสนั้นยากร้อยละหนึ่งบางคนเนี่ยตั้งใจมาบวชศรัทธาขอบวชจริงๆ กระชาตั้งใจศึกษาเราเรียนปฏิบัติที่รมม ป, ประจําวิปัสสนากรรมฐานศึกษาลาเพศไปเป็นผุ้สันติทนที่ดีงามแสดงเหตุการณ์ดีลัตนาสิงก็เต่งลัตนาธรรมเป็นวิทยากรก็ได้เป็นพิธีกรก็ได้ถ้าช่วยศาสนาก็ได้แค่บวชสามเดือนเท่านั้นเขาสนใจวิปัสสนามาก <c oughs> จิตใจก็อ่อน ศตัทาเข้าไปในจิตของกุฎรอนผลก็ได้ออกมารับรองตอนเป็นหลักฐานมีคนขลุ่นหนันับหน้าทิตาอย่างนี้ก็ได้รับเป็นหนา้าที่พุ้สั่งกุฎชนผู้ดีอันหนึง่งก็ได้รับผลไปที่พึงปจนี <c oughs> ่เป็นอย่างนี้นี่แหละท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยถ้าหากว่าเราไม่ศรัทธาไม่สนใจไม่เลื่อมใสไม่เป็นลายผมไม่วาหลักออกมาเชอะ แล้วอีกข้อหน้ามุิปัตนามันเป็นห้องกรรมฐานเนี่ยควรจะให้อุตาก้าอย่าเป็นบาปนะเนี่ยทำลายสมถนารรมเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าบาปอย่างร้ายแรงคนที่เขาจะาเป็นเพียนบาเป็นภาวนาไปเสียงเอะเสียงดังขาดต่อเหตุผลในองค์ภาวนาค่อยพูดน้อยก็พูดมากเสียงเ อ, อะมาเชิกโดยไรสาระโดยไม่มีเหตุผล แต่ประการใดไม่ได้ทากิจวัตรแต่ประการใดแล้วสิ่งนั้นท่านจะกลับบาปอย่างร้ายแรงเรียกว่าทาลายสมณธรรมของผู้ที่สนใจทมเป็นบาปเป็นกรรมอย่างยิ่งทุกสิ่งท่านชื่อเองคััลับผมก็เลิกคิดให้แล้วแลัจจุบนนัเนี่ยนีเนย่เราก็สอนกัน ม, ม, มามากบกษาตั้งแต่บวชเสียง ก็ต้องหมดไปหล่อพ่อก็มไม่ดีก็ต้ อ, องอาาอถวายความรู้ถวายความเข้าใจแก่ผู้สนใจบุญถ้าทำไมสนใจบุญท่านสนใจจะบาปผมก็หมดโอกาสแล้วไม่มีโอกาสถวายบุญท่านก็บาปน่าเป็นคณเดียวนี่อย่งเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้ท่านจะว่าผมเลยท่านจองการบาปท่านต่อไปเถอะผมไม่ว่าแล้ว ตองการบุญออกไปจะครับมีทั้งบุญทั้งบาปเลือกเอามีทั้งความสุขความทุกข์ท่านต้องการมีทุกต่อไปอีกเดือดร้อนในวันหน้าท่านก็ออาเจ็บไปเถอะเจ็บไปเจ็บไว้ในใจท่านแล้วมันจะขยายออกมาตอบแทนท่านในอนาคตแน่นอนที่สุดเป็นกฎแห่งกรรมของตายตัวจากธรรมชาติดีก็สนองงานที่ดีไปกฎแห่งกรรมปดแปลวดานกรรมเรวดการกระทำ ท่านทำดีก็ดันให้ท่านไปดีแน่ท่านทำทั่วขอดันให้ท่านไปทั่วแน่ไม่มีผมทำให้ท่านไม่ได้แล้วผมจะให้ท่านดีทำให้ท่านดีคงไม่ได้ทำให้ท่านชั่วก็คงไม่ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเองถ้าท่านตัดการดีก็รับไปต้องการชั่วท่านก็ทำเอานี่ทั้งดีทั้งชั่วต้องเกิดจากการกระทำทั้งสิ้นไม่เจ็บเกิดเองนะ ดีก็ขอให้มันดีเองถึงหากเราชั่วอย่างไงดวงดีทุกอย่างดีหมดไปทีมันอย่างนั้นก็ดวงดีก็ไม่ต้องทําอะไรมันก็ดีขึ้นมาเองไปเศรษฐีขึ้นมาได้อย่างนี้มันงั้นก็ไม่มีเวรกรรมแต่ประการได้ขอเรียนถวายไว้ <c oughs> คนเราจะเหมือนกันอย่างไรล่ะเนีย่ยไปดูตามหมู่บ้านนะครับบ้านรวยเหมือนกันไหม นับบานได้เลยโนก็มีขอทานก็มีบางคนหาเช้ามากินข้ามบางคนหาข้ามกินข้ามหาเช้ากินช้าเลยนี่อย่างนี้นะีะเนี่ยไปดูแท้ยจะให้ด่าเยไปดูได้หลายบ้านบางคนหน้าผากภูมิใจดีกว่าคนอื่นอีกหลายร้อยบ้านที่เขาเกิดมานยะเขาว่าเขาลาบากแล้วเขานแล้วพิจารณาไปดูบ้านอื่นเขาบ้าง ขอเรานี่ยังดีกับคนอื่นเยอะอย่างนี้แต่อย่าให้เข้าใจว่าหรืออย่าทําว่าเรานี่สู้บานอื่นเขาไม่ได้หมดเรานี่มแแาแย่กับคนเลยจะดูดูตัวเองบ้างก็จะดีมันกัดแต่ก็อย่าเสียใจเลย <c oughs> ไปดูต่อไปเองไอ้บ้านอื่นก็ยังแยกแ่กับเราอีกอย่างนี้เราก็ภาคภูมิใจว่ายังมีดีกับเขาบ้าง สำคัญไม่มีดีซะเลยลำบากมากนะลำบากจริงๆที่ผมถวายให้ขุนใจเนี่ยท่านทั้งหลายลองไปดูวัาอื่นทีมีมั้งไหมที่ยวถวายความรู้ทรงวิธีทางสองนกนะศึกษามีไหมวัตถุการศึกษาหมายความว่าอะไรจริงว่าหลอกจากการศึกษา <c oughs> ตัวบุคคลเป็นตัวศึกษาดูได้ที่ไหนแล้วครับ ดูที่เขามาวัดเรามาอบรมกันเนี่ยมีหลายประเภทนี่ดูเนี่ยไปดูเนี่ยคนที่ทุพลภาพพิการขาไม่มีแขนไม่มีไปดูซิเนี่ยนั่งรถไสของเขาเองนะเพึ่งตัวเองเนะี่ยเขายังอุตสาหมานั่งวิปัสสนากรรมฐานไอ้เล้าก็แขนดีขาดียังไม่เอาหรือผมไม่ว่าเลยหรอกนี่เขาขาไม่ดีแขนไม่ดีนะคนทุพลภาพ มาหลายรูป แ, แล้วน่ขอ น, นี่นางสาว ส, <c oughs> สาวันีจวิ้งแก้วแล้วก็เป็นสีรปดแน่จะตกสีเก้าไปผูน้นวยการศูนย์พระประแดงฝึกฝึกอาชีพคนพิการเพราะคนนามันต้งสามสี่รูปแน่บางทีแขนเนะขาไม่มีเลยล้างส่วยล้างชามได้มาฝึกเย็บผ้าตัดกระเป๋าทำรองเท้า ฝึกอาชีพฝึกไฟฟ้าฝึกอาชีพในอ า, าชีนิดที่กรมประชาสงเคราะห์นี่เราก็น่านมูทนาเนี่ยไปดูทักษะแขนขาบีเนี่ยคนพิการทั้งนั้นเลยอีกเด็ดอายุติเบ็ดติปราบขวบคนนอกประเด็น <c oughs> มันออกมาจากหมู่บ้านไม่ยินพออ่อแม่เอาแม่เอาไปทิ้งกรมประชาสงเคราะห์เลี้ยงเนี่ยคือ คุณสวีวนันสมจิตเป็นผู้ดูแการปกครองเด็กรุ่นนี้พิจไทยทีม่มาถึงสามสี่รุ่นแล้วไปดูชะครลับเรามาอยู่ในวัดมันมีทัศนนาึกษาเลยก็ผมก็ไม่ว่าไรเนี่ยวัดอื่นมีไหมครับผมถามในใจท่านคิดเลขในใจตอบเองว่าวัดอื่นมียังมัมยแล้วเขาเนี่ยตั้งแต่ท่านเข้าไปสามมันยังมีใครมาเลี้ยงเพลงมันมไม่มีเลยเฉยหรือ ผมไม่มีใครมาเลี้ยงเราเลยดอดยาปลาแขกมันลึกเกินกอกที่เราเองนะครับ <c oughs> เนี่ยสิมันรอมเป็นประการได้แต่จ ะ, จะว่าเราไม่ดีไม่ได้เราถวายทุกอย่างถวายความรู้ถวายให้เข้าใจถวายให้รับเอาของดีไปไม่ใช่ถวายความชั่วถ้าหากว่าผมพาท่านไปชั่วให้ท่านกลับตัวไม่ได้ ใร้มาดาผมนะแต่ผมสอนทุกคำไปนั่นน่ะสอนคำดีหรือคำชั่วท่านไปกิด เ, เองนะไม่เคยเลยเนีย่ให้ไปกินอุจจระหรือให้เขาโดงเข้าป่าไปปล้นเข้าไปเล่นกาพ น, านันมีสอนไหมสอนให้ดงน้ำดำไปอย่าบโลอสอนให้ไปเข้าเป็นคนชั่วไปไปครัวกับคนชั่วความดีไม่ได้ไม่ได้สอนนะ ย่ า, าดาแล้วนะเราไม่สอนอย่างนั้นแต่ท่านทําตัวอย่างนั้นเองท่านก็ต้องตรงกันข้าบกับผมโดยด่าผมว่าหลวงพ่อนี่จูจีบาบอนี่แหละมันตรงกันข้ามอยู่แล้วขุนศรักรรมกับขุนศรกรรมมันตรงกันข้ามขาวปรับดำทำอย่างไงได้แล้วมันก็ไปเลือกความผูวของตัวเองไม่ใช่มีใครก็ไปทําให้แต่ประการใดนี่ขอเรียนถวายเป็น ค, นความิดไม่ และสิ่งวัดล้อมถึงวัดนี้คงไม่มีคนดีเข้าวัดเลยเนะคงมีแต่คนชั่วเข้ามาทั้งนั้นการคิดอย่างนี้กันหรือการถึงไม่เห็นทัศนาศึกษาในวัดและสิ่งวัดล้อมกลายเป็นเสียหมดแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาควรจะคิดได้มีพระพุทธเจ้ายังมีเถรเทวทัศน์ทําลายพระพุทธเจ้าจนถูกถอนรีสุบอย่างนี้เป็นต้น วัดหนึ่งมันก็มีดีมีชั่วมีพระเอกก็ต้องมีตัวโกงเนี่ยในวัดนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งพระด้วยเนี่ยทั้งคาเสนเรนชีทั้งคออยู่ในวัดก็มีพระเอกนางเอกมีคนตัวโกงมันก็มีตัวโกงอยู่ในหมู่นี้เพราะไหมือนงนลิเกเล่นมันดยออกมาไปพระเอกกันหมดทั้งโรงเล่นดาเนี่ยมันต้องมีตัวสดายุมีตัวยุแย่ มีตัวอิจฉาลิษยานางตันหาลาคานางลิชญาในกายนครพวกเรานี้เหมือนอย่างเมืองนี้เป็นเมืองนครกายของเราลูกกับน้ำก็เป็นกายนครมันก็มีทั้งนางตันหานางลาคานางนางลิชญามีอยู่ในตัวราวเซจมันก็ยุ่ยแย่แตะแพร่แสในตัวราวเวลาจะไปนั่งกรรมฐ า, านมันก็ยุนั่งทาไมเมื่อย เยอะเวลานอยดีกว่านี่แหละมันก็มีอย่างนี้แหละเนอแล้วแต่เหรอนี่มารไล่มันมันกำจัดความยุ่งว่าไปแล้วเราสิตอ่อนไม่มีสติขาดความติดความอุทนก็คลอยเป็นก็มันเป็นนางตหาหาลาค่านางอารตีเป็นต้นมีอยู่ในการย่ครนพวกเรานี้แหละมันจะอยู่ที่อื่นแล้วแถมมีรูปธรรมนามธรรมที่เลวร้ายอีกเข้ามาแทรกในวัด อย่างนี้เดี๋ยวก็ยุคฮะเดี๋ยวก็ยุคคนนอนเดี๋ยวก็ยุคคนนี้แล้วเราก็เกิดตดายุก็เกิดเชื่อพวกเรามันพวกนุน่นมันไม่ใช่พวกพวกหินโดนล้มไหนมันก็ปลิวโน่โดนติดน่องติดนี่เป็นนุน่นติดตัวไปลอยลมไปนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยท่าทองคําต้องสุกไปนะม้าใหญ่ต้องสู่รลบ คืนก็ต้องอมขมก็กระเพิรนอดทนต่อไปดีกว่าจะได้ของร้ายใส่ใจพวกเราไม่อดทนเลยแต่ผมเองอดทนมามากแล้วตั้งที่ชาวบ้านเหนือบานใต้นี่เราทนนําถนนก็ดินโด่งไปในบ้านก่รดดาโคฟอคนแม่เราเนี่บ้านนี้อ่เนี้ยขอพูดต่อหน้าด้วยแล้วไม่ครูก็เนี่ยทางถน น, นให้เดินไปถึงถนนเนเสียดาเราทุกวนันดาเราทุกวันเลย ก็ชาคนด่าคนด่าก็ต้องเดินถนนนี้ใช่ไหมนี่แหละครับมานไม่มีบรมีไม่เกิดเราอยู่ที่นี่มาสามที่สามปีแล้วอย่าลืมอยาปืนมายิงล้วบานเรามาอยู่นี่นี่แหละท่านทั้งหลายเห็นใจเราเถอดนี่เราไม่ใช่บ้านอยู่นี่แล้วนอนแล้วไม่มีพี่น้องไม่มีที่นี่อ๋อฝ่าพู้ด้วยเราจึงมาสร้างวัดได้ทําไม เรานึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อบำรุงรศาสนาที่เราทำดีก็ต้องการให้บำรุงรศาสนาต่ออายุไม่ใช่หรือไม่ใช่าสร์สั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อย่าให้ยุ่งเรื่องสั้นอย่าให้ยาวบอกความในใจไว้ <c oughs> แล้วไม่ใช่บาปอยู่นี่เลยนะ ท่านทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตคิดสูงวัดหนึ่งหนึ่งเขต้องมีกรรมการวัดมากหลายใช่ไหมอย่าลืมนะวันนี้ไปพีจะผมอง์เดียวนะตัดสินใจอง์เดียวปองจ่ายไม่มีรายไ ด, ได้แต่ประการได้เลยนต้องเลี้ยงดูกันทั้งหมดวัดเบิกจ่ายไม่พักท่านทั้งหลายมีกรรมการไหม เท่าสันที่ฉันมาบวชเนะ่ยบางวัดเนี่ยเขากรรมการตามสมผานจะวัดเป็นแถวคุณจะแก่์เยอะมีอะไรข้าอย่าโยมช่วยหมอดละมันจะยุกวัดนี้มีมั่งไหมขอเรียนถามว่าผมเองเนี่ยยวัดเนี่ยมีกรรมการวัดไหมบ้านเหนือบ้านใตา้มาเป็นกรรมการผู้ใหญ่บ้านกำนันมาเข้าวัดไหมท่านดูมั่งไหมเห็นใจผมมั่งเถิดผมองเดียวจริงๆนะจะบอกให้ เนี่ยสางห้องน้ำมองสว่มีชื่อคนบันี้บางไม้ปติกรรมถานเะนี่ยไปดูที่มีชื่อคนบันี้บางไม้ไปอ่านดูซะนะไปอ่านดูแ <c oughs> ลห้องแถวๆแล้วนะคนบันี้มาสร้างหรือเปล่ามีกรรมการอยู่ไหนอย่าลืมนะไปงอกอกอกได้จะตั้งมาเอาใส่ตู้เลี้ยงพระใส่ตู้ข้าไปฟ้า ใช้เป็นหมื่นๆเดือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยนี่บางเดือนต้องห้าหมื่นใช้เป็นคนออกนี่พนจากเขาเห็นใจผมก็มาทอด่ทปาให้ที่เชาวิงบุรีเป็นทอดปียี่เบ็ดตั้แต่ผมมาอยู่นี่สามวิสามปีเขาคอยเห็นความยากแปลงแพนของผมเขาจึงมาช่วยทอดบท ป, า, ปามาปีที่ีเบ็ดเขาสูุภาษณ์ก็มาให้ ตั้งแต่เรามีพระสิบองค์สิบห้าองค์โน้นจนมาถึงป่านนี้เห็นใจเรานะนี่แหะนี่มีที่ท่านมาบวชถ้าท่านมาบวชนานจะจะเห็นชัดมีชาวบ้านที่เข้ามาหาเรื่องในวัดมีไหมผู้ใหญ่บ้านกำนานมาเป็นทายกมาเป็นกรรมการวัดช่วยดูแลครั้งหนึ่งทองให้มีไหมถ้าเห็นใจเราสิแล้วที่เขามาเอาเงินมาให้โคมโคลมเนี่ยอย่างกคลมที่ดิน มาทอต่อป่าท่านก็รู้อันนี้นะได้ล้านเศษมาจากไหนครับมาจากบ้านเหนือบ้านตายไหมนี่จะเห็นใจเราเถอะผมไม่เคยหวังผลตอบแทนกับใครเลยนะนี่บ้านเหนือบ้านตายเด็กเหนือตาผมไม่ปากเท่านั้นแต่บางคนย้ายไม่ได้เอาทั่วย้ายไปได้ดี ด, ดีเคยเพระป่ามาสักก ะ, ะเป่งไหมมีไหมบ้งคนบันทเอาพระป่ามาสักก็แป่งไหมท่านเห็นใจผมเฉยฉนรับ ก็เสียชื่อเสียเสียงอย่างนี้ทานกดเจ๊งผมก็ไม่อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วเพราะคนบัณฑิตมาทําหรืออย่างไรคนบัณนี้พายุ่งกับเราเห็นไหมนี่มาจากกระจายชั้งนั้นเลยจะเห็นใจที่เขามาปฏิบัติก็มาทานมาจากไหนท่าบันเหนือหรือมาใต้ายไอครูอาจารย์ที่ไหนหรือคนบนเดือบ้านใต้ท่านดูสครับท่านผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาแล้วจะคิดได้ คนที่งงเนา่าตาวจูนทุกมือความรู้สูงแต่ใจจำตามจาไม่รู้เลยนะจะพิดไม่ออกเลยจะบอกไงเนะี้ยแล้วคนที่มาอุปสาษมาลงเนี่ยคนบัดี่มาอยู่ประจำเไยนี่ไปดูลงครัวนับชื่อสิดูหน้าสิคนที่ลง